ย่อมอยู่เป็นทุกทั้งกลางวันกลางคืนนะครับนี่ก็อธิบายถึงคําว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจก่อนนะครับที่ชื่อว่าจักษุเนี่ยนะคะรับพ่ออัตถาว่าเห็นอธิบายว่าพอใจรูปหรือดุจบอกถึงความสมและไม่สมเนี่ยนะความเสมอหรือไม่เสมอคล้ายๆว่าเป็นตัวบอกทางอ่ะนะทางสูงทางต่ำเป็นต้นเนะีะชื่อว่าโสตพ่ออัตถาว่าย่อมฟังชื่อว่าคานะพราะอัตถาว่าย่อมดมกลิ่น ความเป็นอยู่มีชีวิตเป็นนิมิตมีอาหารเป็นรถชื่อว่าชิวหาเพราะอัตถาว่าเรียกหาความเป็นอยู่นั้นเชื่อว่ากายเพราะอัตถาว่าเจริญด้วยความน่าเกลียดนะครับเชื่อว่ามนะเพราะอัตถาว่ารู้คือรู้แจ้งนะครับอันนี้อธิบายสับนะครับสั์คาว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ถ้าจะขยายโดยพิสดารขึ้นนะครับคาว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจว่า คำว่าจักสุกนี่นะครับ ต, ตาหรือจักสุกนี่นะครับมีสองอย่างแบ่งเ okay ป็นตาเนื้อกับตาปัญญานะครับหมายถึงว่ามังสะจักสุเรียกว่าตาเนื้อปัญญาจักสุเรียกว่าตาปัญญานะครับในจักสุสองอย่างนี่นะครับปัญญาจักสุหรือตาปัญญาเนี่ยนะครับมีอยู่ห้าอย่างนะครับหนึ่งก็พุทธจักสุสองสมัญตะจักสุสามยาณจักสุแล้วก็สี่ทิพจักสุห้าธรรมจักสุนะครับ อย่างพุทธจักสุในพระพุทธวจนะที่ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราตรวจดูสัตว์โลกได้เห็นแล้วแลดังนี้ชื่อว่าพุทธจักสูนะครับพุทธจักสูในที่นี้ได้แก่อินทรียะโปรโปริยัติยานกับอาสยานุสยญาณ น, นะครับเรียกว่าพุทธจักสูนะครับหมายความว่าตรวจดูอาสยะและอนุสยะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอย่างหนึ่ง ตรวจด้วยความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอย่างหนึ่งลักษณะนี้เรียกว่าพุทธจักสุนะครับส่วนสมันตะจักสุในบทว่าสัพพัญญุตยานท่านเรียกว่าสมันตะจักสุนะครับอันสมันตะจักสุนั้นหมายถึงพระสัพพัญญุตยานผู้ทธจกสุกับสมันตะจักสุนี้เป็นจักสุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับสองข้อนี่นะอยู่ในอาสาธารณญาณชื่อว่ายาณจักสุในบทว่าจักสุเกิดขึ้นแล้วดังนี้เป็นต้นนะครับ จักคุ้งอุท ạ ปาฏิญาณังอุท ạ ปาฏิปัญญาอุท ạ ปาฏิวิชาอุท ạ ปาฏิอาโลโกอุท ạ ปาฏินี่นะครับในธรรมจัก ร, ประปวัตตนสูตรนี้เขาเรียกว่าญาณจักสุนะครับตรงนั้นจักสุในพุทพธพจน์ในธรรมจักนี้เป็นชื่อของญาณน ะ, นะครับส่วนที่ชื่อว่าทิพจักสุในพุทธวัจนะที่ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราได้เห็นแล้วด้วยทิพจักสุอันบริสุทธิ์ดังนี้เป็นต้นเนี่ยนะที่กล่าวถึงเรื่องของเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายนี่นะ ส่วนที่ชื่อว่าจำธรรมจักสูดได้แก่มรรคสเบื้องต้นในบทว่าธรรมจักสุปราสจากธุลีปราศจากความเศร้ามองเนี่ยนะได้เกิดขึ้นแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าธรรมจักสุดเนี่ยนะครับเป็นชื่อของมรรคสามคือโสดาปฏิมรรคสกธาคามีมรรคและอนาคามีมรรคนะครับตามสูตรต่างๆเช่น พร ม, มายุสูตรนั้นเป็นชื่อของอนาคามิมักบางแห่งก็เป็นชื่อของโสดาปฏิมักเป็นต้นเนี่ยนะครับส่วนมังสะจักสุคือตาเนื้อนี่นะครับมีอยู่2 อ, อย่างคือสะสัมภาระจักรสุกับภาษาธาจักรสุนะครับก็บอกว่าลูกตากลมๆเนี่ยกับความใสของตานะีนี้อธิบายถึงมังสะจักรสุสองอย่างนั้นนะครับ เน้นไปที่สัมภาระจกักษุก่อนนะครับสัมภาระจักสุเนี่ยนะที่ดูว่าแหม้ตางามเหลือเกินพวกนะที่เห็นทั้งดวงเนี่ยนะครับตาโตตากลมตาอะไรก็ว่าไปลักษณะเนี่ยนะเรียกว่าสัมภาระเนี่ยน ะ, ะคือก้อนเนื้อตั้งอยู่ในเบ้าตากําหนดด้วยเบ้าตาทั้งสองข้างนะครับคือกระดูกเบ้าตาชั้นล่างแล้วก็กระดูกคิ้วชั้นบนนะครับด้วยสมองศีรษะอยู่ข้างใน ขนตาอยู่ภายนอกกันนะพอนึกภาพออกนะครับลืมตาก็มองเห็นแล้ะนะตามองตาเห็นอะไรครับนั่นแหละที่ว่านั่นแหละโดยย่อนะครับเรียกว่าเรียกโดยประมัดโดยย่อเนี่ยนะครับอย่างคือท่าสดินน้ำลมไฟวันณะคือสีคันธากลิ่นรสรสโอชาคือโอชานะครับสัมภารนี้ได้แก่อโปาธาตนะครับสันฐานคือสวดท่งนะชีวิตแล้วก็ภาวะ อันนี้กล่าวตามอัตรกรถาแบบโบราณนะครับส่วนข้อความตรงนี้เนี่ยนะถ้าตามวิสุทธิมัตท่านจะไม่เรียงแบบนี้นะครับเพราะว่าไอ้สัมภวะกับอาโปทาตไม่ต่างกันนะครับถ้าจะดูในวิสุทธิมัตเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะแสดงตามวิสุทธิมัตเนี่ยนะครับรูปนับแล้วไม่นับอีกนะครับในดวงตาทั้งลูกเลยนะประกอบไปด้วยอวินิพกครูป8ก่อนอวิณิพกครูป8นั้นได้แก่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟ สีกลิ่นรสและโอชาแปดแล้วนะครับแปดนี้ก็บวกกับชีวิตรูปอีกหนึ่งนะครับบวกชีวิตรูปอีกหนึ่งแล้วก็บวกจากขู่ภาษาท่าอีกหนึ่งก็เป็นสิบแล้วก็บวกกายภาษาท่าอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดบวกภาวะอีกหนึ่งเป็นสิบสองเพราะฉะนั้นถ้านับแล้วไม่นับซ้ําตามแนววิสุทธิมรรคก็จะได้สิบสองรูปนะครับสิบสองสภาวะประมัตรูปในนั้นนะนะในจากขู่เนี่ยทีนี้ถ้าหากว่า นับโดยพิสดารนับโดยพิสดารนี่นะครับตามคัมภี์ประมัตทีปนีท่านเรียบเรียงให้เห็น44อย่างนะครับคือด้วยสามารถแห่งรูป44เหล่านี้คือรูปสี่ิเพราะสัมภาระสิอย่างเหล่านี้คือหเห็นก่อนนะครับว่าท่าสี่วันณนะคันธะรัศโอชาสันฐานสัมภวะอันอาศัยท่าสี่นี่นะครับคือทำรูรูปสิบอย่างนี่นะครับคูณสมุทฐาน4ี่นะครับ เท่ากับเท่าไรครับ40นะครับแล้วก็บวกอีกสมภาระสี่คือชีวิตภาวะกายภาษาธจาจักขุประสาธาซึ่งมีกรรมเป็นสมุดฐานโดยส่วนเดียวเท่านั้นนะครับมัน40บวก4ก็เท่ากับ44อันนี้แสดงตามนัยยะแห่งประมตทีปนีหรืออัตตกขาโบราณทั้งหลายจะเรียบเรียงในลักษณะนี้แต่วิสุทธิมรรคจะเรียบเรียงอีกนัยยะหนึ่งนะครับจะแบ่งเป็นรูปกราบหรือกลุ่มรูปเนี่ยนะครับ ในดวงตาในเบ้าตาเนี่นะครับเรียกเป็นกลุ่มรูปจะได้6กกราบนะครับหกลุ่ม6กลุ่มนี้จะได้รูป54รูปนะครับชั้นต้นเลยนะกลุ่มที่1ได้แก่จักขคูภาษาธะก็มี10รูปนะครับเรียกว่าจักรคูทศกากราบนะครับสิรูปก่อนเสร็จแล้วก็ในตานี่ก็มีกายทศกากราบด้วยอีก10รูปก็เป็น20แล้วนะครับแล้วยังมีภาวะคือมีภาวะคือหญิงกระชายอยู่ในตานะเพราะฉะนั้นภาวะอีก10รูป คือเพราะว่าชายกับหญิงไม่เกิดพร้อมกันนะนะก็เอาภาวะรูป1ิบรูปเป็น30แล้วยังมีอวินิโพครูปที่มีอาหารเป็นสมุทฐานอีก8มีจิตแต่ชรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานอีก8รูปแล้วก็มีอุตตุชรูปอีก8รูปเพราะฉะนั้นก็จะได้ทั้งหมดนี่นะครับ54รูปแบ่งเป็นกราบก็ได้ประมาณ6กกราบนะครับ อันนี้แบบนับแบบแยกกราบแบบย่อยๆตามสมุดฐานนะครับตามกราบแต่ถ้าเอาโดยนี้ก็พิสดารมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็รูป54ในในตาเนะนี้เรียกว่าสะสัมภาระจกักษุทีนี้อาศัย ส, สัสมภาระจักษุนี่แหละครับที่สัตว์โลกรู้กันว่าจากักษุเนี่ยนะครับขาวกลมหนาสะอาดหรือว่าไภัยบุญ น, นะตาโตตากว้างตาเล็กตารีต า, ตาเหมือนปลาดุกตาเหมือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับ อย่างนี้ชื่อว่าย่อมไม่รู้จักสูนนะถ้ามองเห็นแล้วลูกตาเฉยๆเนี่ยนะครับเท่ากับลูกมะนาวเนี่ยนะหรือว่าไข่ไก่เป็นต้นเนี่ยมันก็ไม่ชื่อว่ารู้จักสูนนะครับย่อมรู้วัตถุโดยความเป็นจักสูนก็เนื้อตั้งอยู่ที่เบ้าตาเกี่ยวพันถึงสมองนะครับคือคือไอ้มันก็ส่วนหนึ่งของสมองนั่นเองนะครับตาเนี่ยนะครับสมองศีรษะด้วยได้คือเอ็นอันมีสีขาวสีขาวที่มันดึงเอาไว้นะครับ แต่ในคัมภีบ์บอกว่าสีดําก็มีนะฮะเส้นเอ็นที่ยึดตาเนี่ยนะบางทีบางคนก็สีดําสีแดงเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมนะครับที่เป็นสีขาวเพราะมีเสมหะมากนะครับคนมีเสมหะมากๆเนี่ยนะเส้นเอ็นก็จะอีกสีหนึ่งแสดงว่าถ้าหากว่าเอาเอ็นของตามาเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับถ้ากล่าวตามคำพี์นะน่าจะมีความแตกต่างกันบ้างในในสีนะครับแตกต่างกันมากเนี่ยนะครับแต่ว่าแตกต่างมากน้อยก็ เช่นถ้าออกดำๆก็จะเพราะดีกำเริบนะคที่ออกสีแดงๆเพราะเลือดมันขั้งหรือนะครับที่เป็นดังถนนเพราะมากด้วยธาตุดินถ้ามันขรุขระเป็นตะปุ่มตะปั่มเป็นปมเป็นต้นเนี่ยนะท่าทางว่ามันไหลหรือว่าอ่าคล้ายมันเหลวมันเละนะก็มากแสดงว่ามากด้วยธาตุน้ําชื่อว่าแผดเผาก็มากด้วยธาตุไฟที่หมุนไปมากลิ้งเกลือกไปมาเพราะมากด้วยธาตุลมนี้ชื่อว่าสะสัมภาระจักสุนี่นะครับ พันเลี้ยวซ้ายแลขวาเนี่ยโอโมีรูปประมาจเยอะแยะนะครับมีเวลาเอาไปตรึกนะนะครับลืมตาเนี่ยนั่งกระปริบกระปิบเลี้ยวซ้ายเลืบขวาเป็นต้นก็โอ้โมีให้พิจารณาเยอะแยะไปหมดนะครับส่วนภาษาทรูปนะครับอาศัยมหาพูทธรูปอย่าลืมว่าจะขู่ภาษาท่าก็คือความสายของมหาพูทธรูปนั่นเองนะครับผูกพันในจักรสุนี้ชื่อว่าภาษาท่าจากักรสุจริงอยู่ภาษาท่าจากักรุนี้ย่อมเป็นไปโดยความเป็นวัตถุคือเป็นวัตถุของ จกักขูเวียนญาณเป็นทวารของจกักขูทวารวิถีตามสมควรแก่จักสูเวิญญาณเป็นต้นนะครับคือเป็นทั้งวัตถุด้วยเป็นทั้งทวารด้วยนะจกักขูภาษาทะนี่น ะ, ะแม้ในโสตะเป็นต้นก็คล้ายๆกันโดยนิย่าเดียวกันคือมีรูปแบบคล้ายๆนะเปลี่ยนแต่โสตะภาษาทะเท่านั้นเองแต่คําว่าโสตะนี่มี2 อ, อย่างนะครับคือที่ผโสตกับมังสาโสตในโสตะสองอย่างนั้นเช่นได้ยินเสียง ทั้งสองด้วยโสตธาตุอันเป็นที่บริสุทธิ์ล่วงเกินมนุษย์เนี่ยครับคือหมายความว่าได้ยินเสียงทั้งไกลและใกล้ได้ยินทั้งเสียงที่ละเอียดเป็นต้นเนี่ยนะแล้นี่เรียกว่าที่พศนะครับส่วนมังสะโสตะก็มีอยู่สองอย่างนะครับคือสะสัมภาระโสตะนะครับคือหูทั้งเบานะกับภาษาทศ นะครับคือภาษาโสตภาษาทะเพิ่งทราบโดยนัยะที่กล่าวแล้วคล้ายๆกับในจกักษุนะโดยประมัดนะแต่สวดทรงสันฐานรูปแบบนี้ก็คนละอย่างกันเลยนะครับต้องไปเรียนเรื่องนี่นะครับจากครูแพทย์โสตแพทย์เนี่ยนะครับเขามีรูปให้ดูภาพมาดูละเอียดนะเป็นรูปโครงกระดูกกระดูก ค, ค้อนกระดูกขัง่งกระดูกเหมือนหอยโข่งอะไรนะเขามีภาพอะไรต่างๆให้เห็นชัดนะครับส่วนคานาและชิวหาก็เหมือนกันแต่กายะมีหลายอย่าง รับพว่ากายกายเฉยๆเนี่ยนะบางทีก็ชื่อหมายถึงโจปรนากายกาัชกาากายสมุหกกายแล้วก็ภาษาทักษกายาในกาย4อย่างนี่นะครับมีอธิบายอีกนะในคาถาธรรมบทนะดันผาน่าจะแปลเจอแล้วนะคือในเรื่องในเรื่องอพี่ขูวักนะอยู่ในพี่ขูวักนะที่พระ อ, องค์ทรงตรัสว่าความสัมรวมจากขู่เนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ยังประโยชน์ให้สําเร็จใช่ไหม ความสัมรวมโหนะเป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จนะนะเสร็จ แ, แล้วก็สัมรวมกายและใจนะนะสัมรวมกายวาจาและใจสัมรวมกายตรงนั้นเนี่ยนะท่านอธิบายทั้งโจปรนากายแล้วก็ภาษาทกายด้วยนะครับครั บ, รบไม่ใช่อยู่ในภิคุวัคครับพิคุวัคคาถาธรรมบทนะ น, นะรเรื่องแรกเลยนะครับในกายเหล่านั้นนะในกายทั้ง4อย่างนั้นนะครับ คือเอากายแรกคือโจปนากายเช่นอะผู้มีปัญญาสำรวมกายและสำรวมวาจาชื่อว่าโจปนากายคือกายนะครับที่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวเนี่ยนะเรียกว่าโจปนากายนะครับเช่นยักคิว้วยกมือยกเท้าเดินเหินเป็นต้นเนี่ยนะกิริยาทั้งหลายแหลที่ออกมาทางกายนี่เรียกว่าโจปนากายส่วนวาคําพูดที่เป่งเปาวาๆอย่างที่ผมพูดเรียกว่าโจปนัวาจานะครับโจปนันะครับโจปนแะแปลว่า โดยสับไม่ทราบแปลว่าอะไรน ะ, นะครับวพวกเคลื่อนไหวอะเนาะส่วนเนรมิตกายอื่นจากกายนี้ชื่อว่ากรัชกายนะครับสมูหะกายเนี่ยนะครับสมูหะเนี่ยโดยศัพ์แปลว่าหมู่นะครับเพะฉะนั้นสมูหะกายเนี่ยแปลว่าหมู่กายทั้งหลายเนี่ยนะครับมีหลายอย่างนะครับด้วยสา ม, มานแห่งหมู่วิญญาณเป็นต้นศัพท์ตรงนี้เนี่ยนะครับในพระไตรปิฎกมีใช้หลายอย่างมาก เช่นว่าหมู่วิญญาณในบทเมียที่ว่าดูก่อนอวุโสหมู่วิญญาณเหล่านี้มีหนะครับเราวิญญาณหกอ่ะนะเช่นจกักรคูวิญญาณโสตะวิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะก็เรียกหมู่วิญญาณท่านกล่าวว่าหมูพ่พรรษะในบทเป็นต้นว่าหมูพ่พรรษะ6เช่นจกักรคูสัมผัสเป็นต้นเนี่ยนะอันหนึ่งท่านกล่าวเวทนาขันเป็นต้นในบทเมียที่ว่ากายปัตธิและกายละหูตาเป็นต้นนะครับ อันนี้ก็เป็นศัพท์ว่ากายเหมือนกันหมายถึงเวทนาขันเป็นต้นเนี่ยนะหรือบางทีเนี่ยนะครับท่านก็กล่าวหมายถึงปฐวีธาตุนะนะปฐวีธาตุเป็นต้นเช่นในคัมภี์ปฏิสามพิธา ม, มักว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมพิจารณาเห็นปฐวีกายอาโปกายเตโชกายวายโยกายเกสากายนะครับโลมากายโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะนะอันนี้มีอยู่ใน วิปัสสนานะครับชื่อหัวข้อว่าเรื่องวิปัสสนาคาถาในปฏิสัมพิธามมัชนะครับอธิบายคําว่ากายทั้งหลายเหล่านี้เอาไว้วอันนี้หมายถึงเกี่ยวกับคําว่าสมูหากายนะครับมันโดยสารว่าสมูหากายนี่มีหลายนายมากบางแห่งนี่หมายถึงตันหากาย6เคยได้ยินนะครับตันหากายหกนะรูปตันหากาย6ะนะนากาย6นี่หมายถึงว่าอกองแห่งตันหะหกนะกายตัวนั้นแปลว่ากองหรือหมู่ เช่นว่าตาลูปปัตันหาก็เป็นหมู่นะครับหมายความว่ามันไม่ได้ชอบสีเดียวว่ามันชอบเยอะแยะไปหมดนะแล้วทางหูอีกก็ตันหาชอบอีกเยอะแยะครับทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็อาศัยอารมณ์เหมนนะเทนรูปปัตันหาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกองเป็นกายเลยเพราะมันเยอะอะสัทตันหาก็ตันหาหูมันเป็นกองเป็นกายก็เยอะอีกเหมือนกันนะครับส่วนภาษาธ่กายก็คือการถูกต้องโพธิภะด้วยกายเชื่อว่าปภาษาธ่กาย เพิ่งทราบปภาษาธากายแม้ในบทนี้ต่อไปจริงอยู่ปภาษาธากายนั้นย่อมเป็นไปโดยความเป็นวัตถุทวานตามสมควรแก่กายะวิญญาณเป็นต้นนะครับคือหมายคาะว่าประษาธากายนี่นะครับตรงๆเข้าเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของกายะวิญญาณในขณะเดียวกันเขาก็เป็นทวานแก่กายะทวานวิถีจิตนะครับ ก็วิญญาณทั้งหมดท่านเรียกว่ามโนจิตทุกดวงเรียกว่ามโนก็จริงถึงอย่างนั้นเพิ่งทราบ ว, ว่าภวังพร้อมด้วยอาวัชนะเป็นทวาร น, นะครับในที่นี้ประสงค์เอาความเป็นทวารก็คือแสดงว่าในใจในคัมพีนี่นะครับหรือมโนในตรงนี้หมายถึงอาวัชนะกับภวังนั่นเองนะครับที่บอกว่านะต้องไม่ลืมพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าไงครับ ที่พงศ์บอกว่าพิสูตใดไม่คุ้มครองทวารเหล่านี้คือจักรุณานะตานะครับโสตหูจมูกคือคานะลิน้นกายะและมณะเนี่ยนะครับคือไม่ไม่คุ้มครองสิ่งเหล่านี้แต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายในที่นี้เน้นสิ่งที่เป็นผลของกรรมนะครับเดี๋ยวเฉพาะจากักรุภาษาถาก็เป็นผลของกรรมในอดีตใช่ไหมโสตะคานะชิวหากายก็เป็นผลของกรรมอดีตภวังก็เป็นผลของกรรมใน อเดตนะครับถ้าหากว่าไม่รู้จักสํารวมในในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมีโทษไหมครับเพราะว่าตัวนั้นนะครับเป็นตัวฉุดไปสู่สังสารวัตรอันใหม่สิ่งเหล่านี้เป็นผลของกรรมเก่านะครับแต่สิ่งเหล่านี้แก่กล้าเป็นปัใจจัยให้ทํากรรมใหม่สบายๆนะครับเป็นทาวารแห่งการทํากรรมใหม่นะครับเพราะว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรม<ส>เป็นต้นก็ อ, อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละครับเป็นทาวาร ไปสู่การทำกรรมทั้งหลายแหล่นนะครับดันั้นถ้าหากว่าไม่คุ้มครองไม่สำรวมแล้วเป็นไงครับอยู่เป็นทุกข์เลือดร้อนขับแค้นเล่าร้อนในปัจจุบันแล้วก็เมื่อตายไปก็หวังได้ว่าอบายทุกคติวินิบาตนรกนะครับแล้วก็ในคาถาว่าเอตาณิยะสัทวารานิอคุตตาณิจะพิคุโนความว่า พิสุไดไม่ปิดทวารอันมีใจเป็นที่6เหล่านี้ด้วยประตูคือสติเพราะถึงความประมาทโดยปราศจากสตินี่ น, นะครับคือไม่มีสติเลยนะครับคําว่าสตินี้ในที่นี้หมายถึงสติที่เป็นไปในทวารทั้ง6ที่รักษามไม่ให้ใจเป็นบาปเป็นต้นเมื่อเห็นได้ยินเป็นต้นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับผมยังสงสัยอยู่เมื่อกี้ทำไมทางใจจึงระบุเฉพาะ ขาวางกับอาวชนะเนะ่ยเพราะว่โดยความเป็นทวารครับคือสิ่งเหล่านี้เป็นผลของกรรมเก่าแต่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กล่าวไปเมื่อกี้เป็นปัจจัยให้ทํากรรมใหม่ใช่ไหมครับแต่นี้คําคว่าสํารวมาตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นซึ่งเป็นผลของกรรมเก่าก็หมายความว่าอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเป็นทวารให้บาปเกิดขึ้นนะครับเน้นว่า ยาให้ทั้ง6อย่างนั้นนะครับเป็นประตูให้บาปเกิดขึ้นนะครับให้รู้จักปกรักษาและคุ้มครองนะครับถามว่าคุ้มครองด้วยอะไรครับด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับอาศัยอินทรีกาจัดอินทรีนะครับกยินนะอาศัยสัตทินซีเป็นต้นกําจัดจากขุนซีเป็นต้นนะครับเพราะถ้าหากว่าอาศัยตาเป็นต้นไม่เจริญสัตทินรีนี้ก็น่าจะอยู่ยากเหมือนกันนะครับ บทว่าโภชนามหิเปอธิคัตชติความว่าภิกษุนั้นไม่รู้จักประมาณในโภชนะตามที่กล่าวแล้วและเว้นการสํารวมในอินทรีย์ทั้งหลายย่อมถึงความทุกข์ด้วยประการทั้งปวงคือทุกข์กายนะครับถ้าหากว่าไม่รู้สํารวมเนี่ยก็ทุกข์กายในปัจจุบันด้วยโรคเป็นต้นคือหมายก็ว่ายอย่างโดยเฉพาะการฉันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคการขบการฉันเนี่ยนะ ก็โรคก็จะติดตามมาแล้วในภพหน้าก็ต้องเข้าถึงทุกขตินะครับอันนี้คือทุกกายนะส่วนทุกใจก็คือถูกกิเลสมีราคาเป็นต้นแผดเผานะครับเพราะถ้าหากว่าไปเอาตาเนี่ยนะครับไปเหลือบดูภาพบางภาพก็แมมนอนไม่ค่อยหลับหน้าดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าหูก็เหมือนการไปฟังบางอย่างนี่ก็ฟุ้งฟันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่รู้จักสารวมตาหูจมกูกเลนกายใจเนี่ยนะ ถูกกิเลสมีราคาผดเผาหรือว่าเห็นเขาได้ดิบได้ดีแล้วก็ไม่มุติตาก็ริษยาหรือคับแคนก็จะเกิดขึ้นอันนี้ก็ทุกข์ใจเพราะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นบุคคลเช่นนั้นมีกายถูกไฟทุกแผดเผามีใจถูกไฟทุกแผดเผาทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าย่อมอยู่เป็นทุกตลอดการเป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีอยู่อย่างเป็นสุขไม่จําต้องพูดถึงการไม่ล่วงทุก ในวัฏฏะกันละนะครับถ้าหากว่าขาดการคุ้มครองอินทรีย์ขาดการรู้จักประมาณในโภชนะเนี่ยนะครับทุกแน่ครับทุกทั้งกายทั้งใจทุกทั้งในโลกนี้และทุกในโลกหน้าไม่ต้องพูดถึงว่าล่วงทุกในวะะัฏฏะว่างั้นเหรอนะ